พระธรรมเทศนาแผ่นที่2ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19ธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเขารบกันด้วยความอาวุโสวันนี้เป็นวันที่19 ธันวาคมพุทธศักราช2556งานของหลวงปู่เราวันที่5ม ก, กรา57ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 18-19 วันก็เป็นวันงานพระปรธานเพลิงศรีระของหลวงปู่งวดเข้ามาเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วขอให้พี่น้องพูดที่ เกี่ยวข้องกัช่วยๆกันเรื่องฟางพยายามปูให้เต็มพื้นที่หรือพอไหมทำไมพอก็ต้องหามาใหม่พอที่จะหามาได้อีกไหมทามันพอแล้วก็พอทามันไม่พอก็หามาเพิ่มอีกเรื่องฟางแล้วก็จุดไหนที่พวกเราจะช่วยกันดูที่ขาดตกบกพร่องให้ช่วยกูบาพระ ปูบาจาย์ทั้งหลายนะช่วยๆ่วยกันดูตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องแล้วก็เมื่อวานประมาณ10บนาฬิกาที่หลวงพ่อในประกาศสมุหราชองค์คารักษ์กับคณะได้มาชี้จุดสถานที่ที่จะสร้างพระพลาที่จะตั้งพระพลาเมื่อวานนี้พร้อมกับพระสงฆ์กับผู้วาราชการจังหวัด แล้วก็หัวหน้าหน่วยส่วนราชการมีตำรวจทาหาร อ, าอัยการครอบเมื่อวานมาชี้จุดสถานที่เรียบร้อยแล้วต่อ น, นี้ไปก็คงจะถมพื้นที่บ้งางจากนั้นก็คงจะเป็นวันที่อสองแล้ววันที่สามาก็จะมาตั้งพระพลาที่หน้ า, าทางเข้าเมนขององค์หลวงปู่เรา เรียกว่างานงวดเข้ามาทุกทีแล้วละ่ะใกล้เข้ามาทุกทีแต่เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องเครื่องเสียงพร้อมหลวงพ่อเองก็ได้ประกาศหรือว่าบอกกล่าวกับคณะที่มาไปชมเมื่อวานนี้บอกว่างานของหลวงปู่เราถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ในงานที่หลวงพ่อเคยผ่านงานมางานของหลวงปู่เนี่ย ผ่านเข้าไปแล้ว 70% เอซแต่ก็จำนวนที่เหลือก็พยายามจะทำให้บริบูรณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นพี่น้องประชาชนจากต่างถิ่นที่รักเคารพในองค์หลวงปู่ก็ให้การสนับสนุนให้การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งก็ไม่มีปัญหาเรื่อง การงานก็ค่อยไปค่อยไปพองานใหญ่เราจะไปเร่งเอาอย่างได้อย่างใจเราทุกอย่างก็คงเป็นเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็คงจะมองจุดไหนที่มันยังอ่อนก็พยายามช่วยกันในจุดนั้นถ้าจุดไหนที่มันไปได้ดีแล้วก็เอาปล่อยให้ไปไปไเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คืองานของหลวงปู่เราขนานี้ก็ผ่านไป 70%. เอร์เซนเรื่องเมนก็ไม่มีปัญหา ส่วนนกขจ ด, ดีลิงก็คงจะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะเอามาประกอบขึ้นมาให้เป็นทีเมนขององค์หลวงปู่เราก็นนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรก็มีแต่พระสงฆ์ที่มาจากจารตุรเทศก็มีมากเหมือนกันมื้อเช้าน่บิณทบาทสายของหลวงพอ่อห้าสิบกว่าและองค์ที่เป็นบิน ท, บ, นทบาทสายอื่นก็คงมาก แต่ทังยังไงขอฝากครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่มีอายุพรรษาช่วยช่วยกันนู่นนะพระน้อยพระหนุม่มพระลูกพระหลานของเราเอคอยบอกคอยบอกกล่าวต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านเหล่านั้นแหะจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาพระของเราต้องมีคุณภาพมีคุณค่ามีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ ที่มีอายุพรรษาเน้ ช, ช่วยกันดูพระเนนของเราหรือว่าให้เคารพในวิัย์ในศีลและวิัย์ในท่าองค์ไหนบวชก่อนก็ให้รู้ว่าบงบวชก่อนให้เคารพพรรษากันไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรนั่งที่ไหนก็นั่งแบบไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําก็ไม่ได้เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวขี้กากขี้กากกินอะไร นั่นแหละขอให้พวกเราให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับวินัยให้เคารพตามอายุพรรษาในครั้งพระพุทธเจ้าเคยมีมาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านเห็นภิกษุไม่เคารพกันมีพระติดสะเถระมีพระติษสะเป็นคนจากสากยะ เคยทำการทำงาน เ, เคยเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อพระวงศสากยะพอเข้ามาบวชก็ตัวก็ใหญ่อ้วนเอเ ต, เ, ตเหมือนกับพระเทระผู้ใหญ่แต่มานั่งอยู่ที่ศาลาใครมาก็ทักทายปลาัสว่าไปนุนไปนี้แต่นี้ก็พระเอ๊ะพระง อ, อ์นี้มันดูดูแล้วมันพูดสเปะสปะนะมันไม่ใช่พระที่บวชเก่า ดูลักษณะอาการพระที่มาจากต่างถิน่นมาจากเป็นพระนา่าอาคันทุกกะมาจากทางอื่นเขาก็เลยมาเห็นพระ อ, องค์นี้นั่งเอเตยอยู่บนศาลาที่รับแขกท่านก็ถามท่านท่านบวชมานานหรือย่างเนี่ยก็ถามคืออะอะเพระตอบไม่ได้เพราะจะตอบไปว่าบวชมานานกับโกหกเพราะมันผิดวินยัยภิกษุพูดปลดต้องปลายจิตตีแลก็ไม่กล้าที่จะพูดเลย เราบอกว่าเพิ่งบวชครับบวชมาเท่าไหร่บวชมาเท่านั้นท่านี้ไม่ยังไม่ถึงปีไม่ถึงพันส า, าพระที่มีอายุพันษาเขากว่ตะเพิดเลยท่ท่านมาอยู่ที่นี่อย่างนี้ได้ยังไงท่านเพิ่งมาบวชท่านทํามากับกิริยาอย่างนี้ไม่ถูกน ะ, นะพระติสานี่ก็โมโหขึ้นมาว่าเลยเพราะว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อของพระพุทธยาวเป็ น, ปนกษัตริย์อีกต่างหากาท่านก็ ปริมาตรด่าพระพระกันเผาก็ลุมกันโผลติสเสร็จเยเพราะมันไม่ถูกตามพระวินัยเนี่ยาจากนั้นพเผานี่ไปกราบพระพุทธเจ้าพระติสานเอาละ<อ>พวกท่านจะรู้เองเนาะข้าเป็นใครประมาทอีกต่างหากจากนั้นก็พระติสาก็ทั้งร้องไห้ด้วยเด้ทั้งร้องไห้ด้วยเสียใจบาพระจํานวนอื่นว่าให้ตนเองฮะไปกราบไปหาพระพุทธเจ้า พวกพระนู่นนี้ก็ตบตบตมต่เหมือนกันเน่ยเพราะว่าเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าจะวหวไงอาจจะไล่พวกเราไม่ให้เข้ามาวัดป่าเชิตะวันก็ได้พวกนี้ก็ค่อยดอมๆมองตามหลังองค์นั้นไปไงไปก็ไปพระองค์นั้นก็ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าพระติสสะที่ร้องไห้พระพุทธเจ้าข่าพระสงฆ์ทั้งหลายแต่เพิดข้าพระองค์ไม่ให้นั่งอยู่บนศาลาดูถูก อพูดแบบ <c oughs> ไม่เยื่อใยไม่เคารพข้าพระองค์เลยฮะพระองค์ก็บอกว่าเป็นยังไงเพราะผมกับผมนั่งอยู่ที่นู่นเอเป็น อ, นอย่างนู้นอยางนฮะพระองค์ก็เอาเอาเรียกคู่กรณีที่ทะเลาะกันม า, าพวกท่านว่าให้พระติสระอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมใช่พระลุงนั้นก็ใช่พระเจ้าขา้าทําไมพวกเธอจึงพูดอย่างนี้เพราะพระติสระไปนั่งในในใ น, ในตรงที่ไม่ควรที่จะนั่ง เป็นนั่งที่ตรงที่พระเถระนั่งเอแล้วก็พูดเอผิดพูดถูกบัญโชชาเนี่ยบัญชงบัญชาโ น, น้นนี่ข้าพระ อ, องค์เห็น้มันไม่ใช่พระบวชเก่ารับอากับอากับกุริยาอย่างนี้เป็นพระบวชใหม่พวกข้าพระ อ, องค์ก็เลยได้ว่าเก่าวตักเตือนว่าท่านไม่ควรจะทําอย่างนี้เพราะท่านเพิ่งบทใหม่ท่านควรจะนั่งในสถานที่ควรนั่งของท่านตเนพัทติดสาเนี่ยก็ นี่แหละท่านก็เลยไม่พอใจพระเจ้าค่ะข่าพระองค์ก็ไม่มีเจตนาอย่างอื่นพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลพระพุเจ้าพระองค์พวกน้าพระสงฆ์เขาก็พูดถูกเนี่ยอถ้า พ, พูดถูกแล้วเนี่ยคําว่าอาวุโสพันเตเนี่เอเราจะเอาใครจากนั้นพระองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์เลยนะเอเรียกประชุมสงฆ์เข้ามาประชุมพร้อมกันบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายคำว่าอาวุโสพันเตเนี่ย พวกท่านควรจะให้ใครเป็นบวชเข้ามาแล้วหรือใครจะให้เป็นผู้นั่งก่อนเดินก่อนหรือเป็นผู้ใหญ่พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าผู้ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนควรจะให้เป็นใหญ่เป็นผู้นำหมู่คณะพวกหนึ่งก็ให้เป็นพวกพราหมณ์พราหมณ์คล้ายๆว่าเป็นผู้ต้นศาสนาเป็นผู้บอกกล่าวเป็นที่เคารพนับถือของคู่คนทั้งหลายควรจะเป็นเป็นผู้นำ พวกี่พวกที่รวยๆเป็นเศรษฐีมาบวชเควรจะให้เป็นผู้นำเพื่อจะได้พยุงพระพุทธศาสนากับความคิดความเห็นก็แตกต่างกันฮะเออพอเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าดูก่อนรงทั้งหลายความคิดของพวกท่านทั้งหลายนะมันไม่ได้เออมันไม่มีจุดผู้ใดก็ตามบวชก่อนผู้นั้นแลเป็นอาวุโสจะเป็นมาจากสกุลไหนก็ตามจะเป็นจา ก, กุลชาวไร่ชาวนาะ ชาวรั้วชาวสวนออแต่เมื่อพระราชาบวชเข้ามาก็ต้องเดินตามหลังพระที่เป็นชาวไร่ชาวนาเพราะเขาบวชก่อนใครบวชก่อนผู้นั่นแหลเป็นอาวุโสนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ในี่บัญญัติวินยัยภิกษุใดก็ตามไม่เคารพตามพระวินัยนี้ปรับอาบัติทุกกฎแก่พระภิกษุที่ไม่เคารพอาวุโสพันเต่นี่แหละอันนี้ก็ขอ ฟังไว้กันหน่คือพุทต้นพุบัญญัติพระวินัยแต่นั้นพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมาบวชในศาสนาของเราตถาคตเพื่อชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจเป็นศาสนาพุทธศาสนาหเลวศ า, าสนาตถาคตบ่งบอกให้ชี้ให้ชําระเป็นผู้บริจุทธิ์เพื่อหวังความพ้นทุกข์แต่พวกเธอท่านทั้งหลายยังมันติดข้องอยู่เพียงแค่นี้เหรอ แต่สมัยก่อนเราเป็นชัดธิรธิรชานเนี่ยพวกเรายังเคารพกันขนาดเป็นชัดิรชานพวกเรายังเคารพกันอันนี้พวกเธอเป็นภิกษุบวชเข้ามารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักทุกอย่างแล้วยังไม่เคารพกันไม่ควรอย่างยิ่งพระสงฆ์ ก, ก็เลยกราบทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ว่าชัดธิรชานเคารพกันพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราไปเกิด เป็นสัตว์อยู่ในป่ามีช้างมีลิงมีนกกระทาอยู่ด้วยกันในป่าทีนี้ก็ไปมาหาสู่กันคุยเขียหาอาหารด้วยกันช้างก็กินอาหารช้างลิงก็กินอาหารลิงนกกระทาก็กินอาหารนกกระทาตามเรื่องของใครของเราแต่ไปคุ้นเชื่องกันรักกันเห็นมองเห็นกันรักเมตตากันวันหนึ่งก็เลยถามว่าเอ๊ะ พวกเราอยู <unlucky. S 2> ่ด้วยกันมานานไปด้วยกันด้วยความเมตตาต่อกันแต่พวกเราไม่รู้จักเคารพกันยังไงเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเกิดก่อนเกิดหลังนกกระทาก็ถามช้างแล้ก็ถามลิงช้างเขาบอกไปคือเขาไปอยู่ในต้นไทรต้นหนึ่งต้นไทรต้นหนึ่งไปอยู่ในร่มต้นไทรแต่นี่นกกระทาถาม ช้างก็บอกว่านี่ยนกต้นไทรตัวนี้แนหะที่เราอยู่ในล่มล่มไทรแต่นี่สมัยเมื่อข้าเป็นเป็นช้างน้อยมากับแม่มาหากินกับแม่ต้นไทรตัวนี้เพียงสีข้างสีข้างของผมผมยังได้ยังได้กินยอดมันอยู่ชายตัวนี้ทางลิงก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคงเกิดทีหลังผมผมมาหากินกับแม่คุยเคียหาที่ดินแถวนี้ ผมได้งแง้คอนี่ยนั่ ง, งแง้ขอกัดยอดยอดไสตัว น, นี้กินอยู่ฮะแสดงว่าต้นไซต์ตนี้ยังต่ากว่าสีข้างของท่านนกกระทาก็บอกว่าสมัยก่อนอต้นไซตัว น, นี้ไ ม, ไม่ไม่มีนะไม่มีมีต้นไซอยู่ต้นนู้นอยู่ต้นนู้นแต่ข้าพเจ้ากับแม่กับฝูงนะไปกินต้นไซต้นนั้นนะ่ะเอามาก็มาหากินคุยเคี่ยว หากินแถวนี้ก็คงจะขี้ขี้ลาดลงไปคงจะเป็นมูลลูกไส้มันคงจะเกิดในมูลนกกระทาจึงเกิดต้นนี้ขึ้นมาตะกอนไม่มีนะตรงนี้สัตว์ทั้งสามทั้งสองตัวก็เลยโอ้ทายงานนกกระทาเนี่ยเกิดก่อนเพื่อนอก็เลยยกให้นกกระทาเป็นเป็นพี่ใหญ่เขารบนับถือไปที่ไหนก่อนนกกระทาวาอย่าไงไรก่อนวาตามเอาครบนับถือกัน เ, เหมือนกับ พี่ใหญ่เหมือนกับพี่พี่น้องๆ น, นี่แหละขนาดเราเป็นสัตว์เดรัจฉานสมัยนั้นเรายังได้เคารพซึ่งกันละกันนกกะทาในชาตินั้นคือเราตถาคตกะลิงคือสารีบุตรช้างก็คือโมกคลาเนี่ยนี่แหละท่านเป็นกลุ่มเดียวกันท่านเห็นกันท่านรักกันท่านเมตตากันมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกัน เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเป็นพระสงฆ์ยังไม่เคารพกันมันไม่ถูกต้องเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ศาสนาของเราตถาคตแล้วจะเป็นผู้ชำละกิเลสราคะโทสะโมหะยังมามีทิฏฐิมานะอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่พระพุทธองค์ตำหนินะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเนะให้เคารพกันแต่บางคนทุกวันนี้เขาบอกเอ้า ผู้ที่มีธรรมเราจะไปเคารพผู้มีกิเลสได้ยังไงตามไม่จริงพระวินยัยท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นถึงจะมีกิเลสมีธรรมยังไงถ้าผู้บวชก่อนต้องเคารพองค์นั้นฮะผู้มีธรรม ย, ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรยิ่งเคารพพระวินัยของพระพุทธเจ้ า, เ, าเว้นเสียแต่ว่าผู้มีธรรมแบบอธรรมอยู่ในใจเท่านั้นแหะ ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าผู้มีธรรมในใจจิตใจแล้วต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพในพระวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยขึ้นมาอย่างไรต้องเคารพเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพ า, านลูกพานหลานน้องนุ่งทางหลายเนาะไปพวกพวกเรามาอยู่ด้วยกันหลายองค์ถ้าหากว่าพวกเราไม่เคารพกันใครจะเคารพกันต่อไปก็ไม่มีขือมีแปร ไม่มีสูงไม่มีต่าไม่ดีนะพี่น้องลูกหลานพระเนนทุกองนะให้รักให้เมตตากันให้มีความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันให้มีความหวังดีต่อกันให้ครบรัวินยัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น <c oughs> เมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายเคารพใน รำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายต่อไปในอนาคตแต่เคาว่าพวกเราไม่เคารพในพระธรรมวินัยแปลว่าศ า, าสนาศาสตาก็หมดในจิตในใจของพวกเราถ้าคาว่าพวกเรายังเคารพในหลักธรรมวินัยอยู่ธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสตราแล้วก็ธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นเครื่องที่พวกเรายึดถือ ถ้าไม่มีธรรมวินัยไม่มีพระวินัยแล้วพวกเราจะยึดถืออะไรทมและววินัยยังมีอยู่ตราบใดาศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นแสดงว่าท่านให้พระวินัยพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้เป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเอาต อ, อนะตอนนี้ไปรับพรนะท่านนีเนา